บทที่78มนตินของสมณะภิกษุรตัตนยูเดินคุยกับผู้เป็นสิทธ์ตลอดทางอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยข้างฝ่ายสิทธ์นั้นเล่าแม้จะเหนื่อยและอยากหยุดพักหากก็เกรงใจผู้เป็นอาจารย์ซึ่งไม่กล้าขออนุญาตอาจารย์ของท่านเดินตั้งแต่กลางดึกกระทั่งสว่างหนทางที่เดินมีแต่แนวป่าไม่พบหมู่บ้าน หรือผู้คนที่ไหนเลยข้าวปลาอาหารหรือก็ไม่ได้ฉันแม้ท้องจะร้องว่าหิวแต่ท่านก็ไม่สนใจคิดแต่ว่าในเมื่อหลวงพ่อท่านอดได้เราเป็นสิทธิแถมยังหนุมแน่นจะยอมแพ้ได้อย่างไรกันท้องเอ๋ยเจ้าอย่าร้องท้องเอ๋ยเจ้าอยากร้องก็ร้องไปเถอะนะตำรวจไม่จับหรอก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 รู้ทั้งอดีตชาติปัจจุบันชาติและอนาคตชาติของผมอย่างที่หลวงพ่อบอกมาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องตอบคำถามผมได้เว้นแต่หลวงพ่อจะไม่ต้องการจะตอบถ้าเราจะบอกเธอว่าเราไม่ต้องการตอบละ่ะผมอยากทราบเหตุผลครับเหตุผลอะไรเหตุผลที่หลวงพ่อไม่ต้องการจะตอบนะครับเหตุผลก็คือเราไม่อยากตอบ เอาละไม่ต้องถามต่อเรารู้นะว่าเธอจะถามอะไรแต่จะบอกให้รู้ว่าอะไรที่เราไม่ตอบก็แปลว่าสิ่งที่ถามนั้นไร้สาระหากถามในสิ่งที่เป็นสาระเราจะตอบเอาล่ะเธอถามเรามามากแล้วคราวนี้เราจะถามเธอบ้างละ่ะไหนตอบประมาณสิว่ามนทินของสมณะมีอะไรบ้างมนทินของสมณะมีสิบสองอย่าง ได้แก่อภิชาพยาบาทกโกรธผูกโกรธลบหลู่บุญคุณท่านตีเสมอริษยาตรณีมักอวดมายาปรรธนาลามกและข้อสุดท้ายคือเห็นผิดทั้งสิบสองข้อนี้คือมนทินของสมณะครับผมละมนทินเหล่านี้ได้เกือบหมดแล้วครับประโยคสุดท้ายเป็นการตอบที่เกินคำถาม เกือบหมดไม่ได้สิต้องละให้หมดจะชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอันชอบของสมณะตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนข้อไหนบ้างที่เธอยังละไม่ได้อาจารย์ถามสิข้อสามครับผมยังละโกรธไม่ได้โดยสิ้นเชิงคือไม่สามารถจะละได้ในทันทีต้องกําหนดโกรธหนอโกรธหนอเสียก่อน เรียกว่าถึงจะละไม่ได้แต่ก็ไม่เก็บมันไว้ให้ตกตะกอนจนกลายเป็นผูกโกรธหรอกครับการที่เธอสามารถกำหนดให้มันหายไปได้ก็เท่ากับเธอละมนทินของสมณะได้และได้ชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอันชอบของสมณนะตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนที่เรานำเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อสนทนาก็เพื่อจะได้ให้เธอสังวรระวังให้มาก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 ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้หลวงพ่อครับผมจะสังวรระวังให้มากที่สุดคนเป็นสิทธรับคําหนักแน่นแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยแต่การได้สดับสัตยธรรมจากสัตรบุรุษก็ทำให้จิตใจแช่มชื่นเพลิดเพลินจนลืมความเหน็ดเหนื่อยหิวโหยลงได้เพราะเกิดธรรมปิติมาแทนที่ เลืเพลินจนลืมความเหน็ดเหนื่อยหิวโหยลงไปได้เพราะเกิดธรรมปิติมาแทนที่หลวงพ่อ ด, ดาประสงค์จะให้สิทธิได้เรียนรู้ทั้งภาคปริยัตและภาคปฏิบัติจึงถือโอกาสถ่ายทอดความรู้ด้านปริยัตให้เขาไปในตัวท่านรู้ว่าเมื่อสิทธิบริบูรณ์ด้วยปริยัตและปฏิบัติแล้วปฏิเวทก็จะตามมาอย่างไม่ต้องสงสยัย ขณะนี้เขากำลังอยู่ในระหว่างอบรมบ่มอินซีเมื่ออินซีแก่กล้าสุกงอมได้ที่เมื่อใดเมื่อนั้นก็จะบรรลุทมขั้นสูงสุดเป็นอันเสร็จสิ้นกิจอันพึงกระทําเพื่อตนเพราะได้บรรลุอัตตาหิตตะสมบัติแล้วหน้าที่อันพึงกระทําเพื่อตนจึงไม่มีอีกต่อไปจะมีแต่หน้าที่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 องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับอย่างในมงคลสูตรซึ่งที่มาก็คือเทวดาและมนุษย์ถกเถียงกันนานถึงส2องปีว่าอะไรเป็นมงคลของชีวิตเมื่อตกลงกันไม่ได้จึงพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงตัดสินจึงเกิดมงคลสูตรขึ้นถูกแล้ว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 ไม่เคยครับหลวงพ่อกรุณาให้ความรู้แก่ผมด้วยตกลงเราก็อยากให้เธอได้รู้ไว้เวลามีใครมาลองภูมิจะได้ตอบเขาได้เดี๋ยวคืนนี้คนชอบลองภูมิมีเยอะเดี๋ยวว่าแต่พวกที่นับถือศาสนาอื่นเลยที่นับถือศาสนาเดียวกันก็ยังชอบต่อไปจะมีพวกมหาปรเรียนมาลองภูมิเธอ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 ถ้าเช่นนั้นผมขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยให้ความรู้ด้านปริยัตแก่ผมเท่าที่เวลาและโอกาสจะอำนวยนะครับความจำผมดีผมรับรองว่าฟังครั้งเดียวก็จำได้นี่แหละเป็นเหตุผลสำคัญที่เราต้องการให้เธอเรียนรู้ด้านปริยัตแม้จะไม่จำเป็นในการบรรลุมรรคผลหากก็จำเป็นในการเผยแผ่พระาศาสนาซึ่งในอนาคต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 หลวงพ่อครับผมไม่คิดจะตีเสมอครูบาอาจารย์หรอกครับผมอยากเรียนให้รู้ในสิ่งที่หลวงพ่อกำลังสอนผมนะครับภิกษุวัยสี่หทวงเพราะอยากได้ความรู้ตกลงเมื่อเธออยากรู้เราก็จะบอกปัญหาข้อแรกก็คืออะไรชื่อว่าหนึ่งเธอตอบได้ไหมสงสัยว่าไม่ได้ครับ นิมนต์หลวงพ่อเฉลยพอเป็นแนวทางก่อนเพื่อข้อต่อไปผมอาจเดาถูกเมื่อสิทธ์มาขออย่างนี้อาจารย์จึงต้องเฉลยว่าสัตว์ทั้งปวงอยู่ได้ด้วยอาหารนี้ชื่อว่าหนึ่งข้อต่อไปอะไรชื่อว่าสองอาจารย์ถามต่อนามกับรูปใช่ไหมครับสิทธ์ตอบอย่างไม่มั่นใจนะักถูกแล้ว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 ท่านทวนคำถามอีกครั้งไม่ทราบครับคำตอบคืออาหารสี่ไหนบอกมาซิอาหารสี่มีอะไรบ้างมีกววลิงการอาหารหรืออาหารคือคำข้าวผัดสาหารอาหารคือผัดสะมโนสัญญาเจตนาอาหารอาหารคือมโนยสัญเจตนาและวิญญาณอาหาร อาหารคือวิญญาณครับอะไรชื่อว่าหอุปทานขันห้าครับอะไรชื่อว่าหอายตนะภายในหครับอะไรชื่อว่าเจไม่ทราบครับคาตอบคือวิญญาณนิติเจไหนบอกมาซิว่าวิญญาณนิติเจมีอะไรบ้างไม่ทราบครับสิทธิ์ยังคงยืนยันคำตอบเดิม อาจารย์จึงต้องฉเฉลยว่าวิญญาณทิฏฐิเจ็ก็คือที่ตั้งของวิญญาณเจ็ดอย่างได้แก่หนึ่งสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันได้แก่มนุษย์เทพบางพวกเปรตบางจำพวกสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่เทพพวกพรมที่เกิดด้วยปฐมฌานสา สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันได้แก่เทพพวกอภัสระพรหม 4. สีสัตว์เหล่าหนึ่งที่มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่เทพพวกสุภกินนะหะพรหมห้าสัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงอาการสารนัญจายตนะ 6. สัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะเจ สัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงอกินจัญญายาตนะอะไรชื่อว่าแปดครับคราวนี้คนถามกลับเป็นสิทธิ์ถ้าเราเป็นผู้ถามเธอจะตอบว่าอระไรผมก็ตอบว่าโลกกระทำแปดครับอะไรชื่อว่าเกอาจารย์เห็นสิทธิ์ตอบได้จึงถามต่อ ไม่ทราบครับคําตอบคือสัตววาด9้าสัตววาด9้าคืออะไรครับคือที่อยู่ของสัตว์9้าอย่างสี่อย่างแรกเหมือนกับวิญญาณทิฏฐิข้อหนึ่งถึงข้อสข้อที่5สัตว์เหล่าหนึ่งไม่มีสัญญาไม่เสวยอารมณ์คือไม่มีเวทนาได้แก่เทพพวกอสัน ญ, ญีสัตว์ข้อหข้อเจ ข้อ8เหมือนกับวิญญาณทิฏฐิข้อ5ข้อ6และข้อ7ส่วนข้อ9คือสัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงเนวสัญญาณาสัญญายาตนะเอาละทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายอะไรชื่อว่าสิบหวังว่าเธอคงตอบได้นะกุศลกรรมมาบทสิบใช่ไหมครับถูกแล้วนี่แหละคือปัญหาที่พวกเจ้าลัทธิหรือนักบวชนอกาศาสนาตอบให้สมบูรณ์ไม่ได้ มีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงตอบได้อย่างครบถ้วนยังผลให้พวกนอกศาสนาจำนวนไม่น้อยยอมรับนับถือแม้แต่พระเจ้าเปรเสนต์ทพระราชาครองแคว้นโกสนซึ่งแต่เดิมก็ไม่ทรงนับถือพระพุทธองค์คลั้นได้ทรงสนทนากับพระพุทธองค์บ่อยครั้งจนในที่สุดก็ทรงยอมรับนอกจากนี้ยังทรงกราบทูล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 ทรงได้ฌานสี่ตามปรารถนานหนึ่งทรงระลึกชาติได้หนึ่งทรงมีทิพยักษักสุและทรงทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอสวะอยู่ในปัจจุบันหนึ่งแต่ผมว่าที่พระเจ้าประสณทธพันานามาทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของคุณงามความดีที่พระพุทธองค์ทรงมีทรงเป็น ทำไมพระเจ้าประเสนทีจึงไม่ทรงกล่าวถึงพระพุทธคุณ9ก้าประการของพระพุทธองค์ละกรับหลวงพ่อเพราะพระราชาปเปเสนทีทรงเป็นปุถุชนย่อมไม่สามารถเข้าพระทัยลึกซึ้งได้อีกประการหนึ่งพระองค์ก็ไม่ได้ทรงนับถือพระพุทธองค์มาก่อนไม่เหมือนพระเจ้าพิมพิสารที่แม้จะเป็นศิษย์พวกชาตินมาก่อนแต่เมื่อชตินได้สาธยายพระพุทธคุณ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 พระเทวทัตเป็นพาลจึงเข้าตำราครบพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะเหตุนี้แหละพระพุทธองค์จึงตรัสมงคลข้อแรกว่าไม่คบพาลเพราะถ้าเริ่มต้นชีวิตด้วยการครบคนชั่วแล้วอย่าหวังว่าจะบรรลุถึงคุณความดีได้ตะวันคล้อยลอยชายเข้าไม่นานนัก ความมืดก็เข้ามาปกคลุมอาจารย์กับสิทธิ์เดินทางมาถึงที่หมายพอดีดงพญาเย็นเป็นส่วนหนึ่งของวนาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งวนาอุทยานแห่งนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆถึง4จังหวัดได้แก่นครราชสีมานาครนายกศระบุรีและปราจีนบุรี คืนนี้เราจะพักแรมกันที่นี่อาจารย์บอกสิทธ์เมื่อมาหยุด ท, ที่ใต้ร่มไม้ใหญ่ใบหนาถึงดงพญาเย็นแล้วหรือครับผู้เป็นสิทธ์ถามป่ารกทึบดูน่ากลัวเสียงนกกาก็พากันร้องเรียกรังเมื่อตอนหัวค่มสงบลงแล้วมีเสียงร้องของสัตว์ป่าดังมาแต่ไกลท่านพระครูรู้สึกกลัวจึงถามหลวงพ่อดำว่า เสียงอะไรครับหลวงพ่อเสือหลวงพ่อดาตอบแล้วเขาจะมาทําอันตรายเราไหมครับก็แล้วแต่ถ้าเคยมีเวรมีกรรมต่อกันก็ต้องชดใช้แต่ถ้าไม่เคยก็คงไม่ต้องว่าแต่เธอหิวหรือเปล่าถามอย่างอาธรก่อนหน้านี้หิวครับแต่ตอนนี้ไม่หิวแล้วความกลัวมันไล่ความหิวไปไกลไกลลิบเลยครับหลวงพ่อ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 เราก็จะอยู่ตรงนี้ตามพระวินัยบัญญัติพระทุดงต้องปักกลดห่างกัน25หวาไม่ใช่หรือท่านอ้างพระวินัยยกเว้นสักครั้งไม่ได้หรือครับหลวงพ่อผมยังไม่ชินเอาแค่สิบวาก็พอเพื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้ตะโกนเรียกกันได้สิทธตอรองไม่มีการตะโกนและไม่มีการช่วยกัน